ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ทันผู้ฟังทงั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นําเสนอเรื่องสัจบรรมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาตาม ด, ำดำับก็กําลังประลบเรื่องสัจวาจาในรูปของการที่เราพูดกับเขาหรือรับคํากับเขาหรือมีการเสนอการบรรยายหรือการชี้แจงอะไรก็ตาม จะต้องเป็นการพูดตามที่เราได้เห็นมาตามที่เราได้ยินมาตามที่ได้ทราบมาตามที่รู้มาไม่มีการเสริมความคือทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีการอำความคือทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กแต่ว่าพูดไปตามความเป็นจริงโดยพิจารณาถึงองค์ประกอบหลัก คือเรามีเมตตาหวังดีต่อคนที่เราพูดด้วยหรือพูดถึงแล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมมีประโยชน์ผู้ฟังอาจจะชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างก็คงจะเอานิยายเลยหนะักไปก็ได้แต่ดูกาลเทศะว่ามันจะเกิดประโยชน์ไหมถ้าเกิดประโยชน์ก็พูด เพราะจลืมว่าธรรมะปฏิบัติเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนคล้ายๆกับยาเนี่ยยามันมีประโยชน์แต่ว่าประโยชน์ในกรณีอะไรไม่ใช่เป็นประโยชน์ไปทุกกรณีการใช้ธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นเขื่อมั่นสนสอดคล้องแก่กรณีของของเรื่องของสภาพปัญหาของสาเหตุของปัญหาอุตจากไปแล้วก็ แก้ปัญหาได้ป้องกันปัญหาได้รั้วสร้างสรรค์สิ่งดีงามขึ้นมาได้สัจจะวิาจาัยประการหนึ่งนั้นมันมีรูปของสัจปฏิญานคือค่อนข้างจเจ้าจริงก็จังแต่ในเรื่อของการสมาทานศีลเนี่ยพเราสังเกตว่าศีลเนี่ยเราตั้งใจสมาทานเอง ไปยังภันเตติสเสนนสหปัญจะศิลานิยาจามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานประใจสนาคมพร้อมด้วยศีลตังางประการก็เป็นความสมัครใจของเราเมื่อพระให้ศีลปานาติปตาเวรมนีสิขาปัทถงสมาติยามติเราก็กล่าวว่าข้าพเจ้าขอสมาทานสิขาบท ถึงงดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตใหตา ย, ยเป็นการปฏิญาณต่อพระสงแต่เมื่อปฏิญาณไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีใครไปคุมหรอกเราจะต้องรักษาด้วยตัวของเราเองคือตามปกติแล้วสัจปฏิญาเนี่ยเราปฏิญาณค่อนข้างง่ายแต่ภาคสนามเนี่ยมันจะรักษาค่อนข้างยาก ระเจ้าปฏิญาณบางอย่างปฏิญาณระยะสั้นไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่รักษากันเป็นสิบสิบปีก่อนนี้ให้ดูตัวอย่างพระปถมบ ร, รมราชองค์การของพร ะ, ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ถือว่าเป็นแบบจบับนะในการให้สัตว์ปฏิญาณต่อคณะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อสมาคมอะไรก็ตาม เราจะครองแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งไมยจนชาวสยามคือเราจะเห็นว่ามันประมาณจักสิีาวินาที่แต่แเนี่ยแต่ว่าจะต้องรักษาหนานมากและทรงรักษาเข้มงวดโดดโดดเด่นจนโลกสัมผัสได้ก็กลายเป็นพระเกียรติยศพระเกียรติคุณที่แผ่ขยายไปสานออกไป เพิพ่มูนความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของประชาชนไอ้นวสัจจะปฏิญาณเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วคนเราเวลาเข้าไปสู่องค์กรไหนก็ตามมันจะมีสัจจะปฏิญาณมากบ้างน้อยบ้างนะเข้มข้นบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่แต่ปัญหาพอถึงตรงนี้มันจะออกนอกวิถี จะออกนอกเส้นทางได้ง่ายๆเพราะว่าคนจะรักษาไม่ค่อยได้คือพ้ายแพ้ตัวใจตัวเองแล้วในที่สุดก็กลายเป็นคนอ่อนแออ่อนวัเวลาภาคสนามอย่ายกตัวอย่างเช่นในคารวัตสธรรมคือธรรมะของผู้ครองเรือนสี่ประการ สัจจะความซื่อสัตย์ความจริงจริงกายจริงวาจาจริงใจมีความซื่อตรงชีวิตของผู้ครงเรือนนั้นเกี่ยวข้องคนเยอะเกี่ยวข้องกับงานเยอะเงื่อนไขต่างๆเยอะแล้วก็มีสัจจะปฏิญาเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆมันจึงต้องมีอุปการะธรรมคือธรรมะคือฝึกปลือ ฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองข่มใจตัวเองห้ามใจตัวเองไม่ให้ละเลย ส, สัจจะจนบางครั้งบางคราวก็ยอมเสียสละยอมเจ็บปวดเพื่อรักษาสัจจะตรงนั้นเอาไว้จแนวสมัยโบราณของเรามันมีแนวพวกพวกนี้ผู้สัจจะปฏิญาณเนี่ยหลายๆบท แต่ว่าเอาก็จริงเราก็ทํากันไม่ค่อยจริงก็จังอะไรเท่าไหร่อย่างเช่นโนก็ลอกเรียนแบบฝรั่งมาข้อหนึ่งที่ว่ามโนโมอบพระผู้สวยสงข์แขนข้ามอบถวายทรงทันเทิดล่าดวงใจมอบมีขวัญแลแม่เกียรติศักดิ์รักค้ามอบปล่แก่ตัวเรก็จริงโอกาสที่จะพิสูจน์เนี่ยรักษาได้จริงหรือเปล่าเนี่ยพิสูจน์ได้ยาก เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีสถานการณ์ที่มาคุกคามจนคนเหล่านั้นทอดทิ้งสัจจะเพราะันในในเรื่องบางเรื่องอย่างในในวงการทหารมันก็มีสัจจะปฏิญาณไว้แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอาญาทัพอาญาศึกคุ้มอยู่ด้วยวา่ารักษาไม่ได้ก็ต้องตายมันจะโดนอาญาทับอาญาศึก เพราะในสัจจะปฏิญาณในแนวนี้อย่างศีลเนี่ยถ้าหากว่าคนเมืองไทยเราสมาถารศีลแล้วก็พยายามรักษารักษาศีลก็าเราสมัครใจสมาถานมาเองก็พยายามรักษาศีลได้ตลอดมันโลกมันจะสงบขึ้นมาเยอะสังคมจะดูเรียบร้อยขึ้นมาเยอะแต่ปัญหาสังคมคือเราแตะตรงไหนก็ตามมันจะเป็นปัญหาที่ยากต่อการจะแก้ไข ห้อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขพอสมควรน่ย น, นะมันต้องเอาแมนดีเดอะไรหนักหนาหรอกเพราะอะไรเพราะว่าคนไปให้ความสำคัญแก่ตัวเองในขณะเดียวกันใจิตใจของตนเองก็อ่อนแออ่อนไหวคือตอนนั้นสัจากปฏิญานมันไม่ก็ยากต่วอะไรเพราะพูดง่ายๆแต่ตอนรักษาบรรยา อย่างเรามีบทพุทธศาสนาสุภาษิตนะฮะม่นจะพุทธภาสิตที่บอกว่าบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาวัยวะพึงสละวิยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่ออนุยศร์ถึงธรรมะให้สละทั้งทรัพย์ทั้งวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อพิทักธรรมเอาไว้เพื่อรักษาธรรมะเอาไว้ตรงนี้ที่จรงิงเป็นเป็นเรื่องสัจจะปฏิญาณ น, นะฮะสัจจะปฏิญาณที่ หมาโจรปุริศาสตได้ให้แก่พระเจ้าสุทโสมซึ่งเป็นก็เรียกว่าปิศดศาจารย์ของท่านแล้วก็พระเจ้าหมาโจรปุริศาสตเนี่ยเมื่อพระเจ้าสุตโสมช่วยเหลือท่านท่านก็บอกว่าท่านยินดีให้พรคือให้พระเจ้าสุตโสมนี่ขอท่านได้ได้สี่ข้อหรืออะไรก็ได้ พระเจ้าสุตโสมท่านเป็นอาจารย์นะฮะก็ขอเพื่อความสวัสดีแก่ลูกศิษย์ทั้งนั้นมันก็มายุ่งยากอะไรที่จะให้พรแต่พอถึงพรข้อที่สี่เนี่ยพระเจ้าสุตโสมเกิดขอให้โจรบริษทัทเลิกกินเนื้อมนุษย์บริษทัทไม่ยอมไม่ยอมพยายามอธิบายชี้แจงยังไงก็ไม่ยอมตอนนั้นพระเจ้าสุตโสมก็กล่าวคาถาเนี่ย บุคคลเพิงสละทรัพย์เพื่อรักษาวัยวะสละวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่ออนุสวรณ์ถึงธรรมะให้สละทั้งทรัพย์ทั้งวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาธรรมะให้ได้ธรรมาคือสัจจะปฏิญาณตรงนี้ให้ได้ในที่สุดโบริสัทก็ยอมือแสดงว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นทางเลือกเพราะว่าบา ป, ปรกรรมเนี่ยมันง่ายแต่มันยาก ตอนปลายคือต้นทำเนี่ยมันจะง่ายอะแต่ความยุ่งยากมันจะติดตามมาอีกเยอะเลยรีพุตสุลกรรมเนี่ยมันจะทวนกระแสคือมันจะยากในการไฏิบัติไม่ว่าอะไรก็ตาม่นนะจะให้ทานจะรักษาศีลจะช่วยเหลือควนขวายในกิจการงานที่ชอบแก่บุคคลอื่นแต่ละอย่างนี่มันเป็นเรื่องยากเพราะว่าทวนกระแสกิเลสทวนกระแสอารมณ์บางทีก็ทวนกระแสสังคม แต่ถ้าทําได้แล้วมันมีความสุขความสบายรออยู่ข้างหน้าแต่ไม่ใช่อํานวยประโยชน์ชเฉพาะในชาติปัจจุบันเต่อนวยประโยชน์ในชาติภพต่อๆไปด้วยในกรณีตามปกติแล้วเวล า, ราพระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยจะไม่ทรงแสดงระยะสั้นๆคือวิบากคือผลเนี่ยผลที่เราเสวยผลที่เราเป็นเจ้าของผลนั่นนะ ตามหลักที่ว่ากรกรมสัท ธ, ธาเชื่อความมาีอยู่ของกรรมวิปากสัทธาเชื่อความมีอยู่ของผลกรรมเชื่อในกรรมมัศกาสาศัทธาเชื่อการที่เราเป็นเจ้าของผลคือการครอบครองเป็นเจ้าของผลในนี้จะนานที่สุดมันคล้ายๆกับการเรียนหนังสือนี่เป็นกรรมการรู้หนังสือเป็นผลของกรรมแล้วเราก็เป็นเจ้าของความรู้ไอ้เจ้าของความรู้เนี่ยมันจะอยู่กับเรานานได้กึ มันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนอุ้มชูป้องกันแก้ไขปัญหาให้แก่เราไปได้ตลอดแต่ความชั่วมันก็จะตามคุกคามเบียดเบียนเมือ่อไหร่เพราะฉะนั้นาพอถึงคราวจะต้องเสียสัจจะแล้วมันต้องข่มใจตัวเองได้ห้ามใจตัวเองเอาไว้จกนี้เรารับปากกับเข า, ไ ว, า, เ า, าไว้อย่างนั้นนะเราปฏิญาณไว้อย่างนั้นนะมันจะมาเสียชื่อตอนนี้บางครั้งบางคราวเนี่ย มันออกมาในรูปคล้ายๆกับอาธิษฐานแต่ว่ามันพูดเพื่อจะยึดเนี่ย น, นะะมันก็รูปปฏิญาณเหมือนกันแล้วเรื่องจักกุบาลปจัจจุบาลเป็นเรื่องแรกในพระธรรมบทที่เราคุ้นๆเรื่องมนปุปบังขมาธรรมานะคที่ว่าธรรมนั่งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สมัยปัจเจตใจตาใจตาใจไม่ดีนะฮะ การพูดก็ตามการทําก็ตามกานคิดก็ตามก็จะเป็นทุจริตก็เป็นทุจริตแล้วผลจะทุจริตก็จะติดตามเราไปเหมือนลอกเวียนติดตามรอยเท้าโกไปฉะนั้นเนี่ยแล้วจะกรบาลถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นถึงทางที่จะต้องเลือกเอาไปจะเลือกเอาตาหรือจะเลือกเอาธรรมอะเพื่อท่านอธิษฐานว่าท่านจะไม่นอนตลอดไรบ้านคือสามเดือนจะอยู่ด้วยดิยบทสามประการ เป็นการสมาทานทุดงทุดดงนะฮรับแต่าต่อมาท่านก็เกิดโรคในตาขึ้นหมอก็รักษาไม่หายสักทีหนึ่งโรคยิ่งกำเริบพอหมอสอบถามมาท่านนอนหยอดตาหรือว่านั่งหยอดท่านก็ไม่ตอบแต่แล้วหมอก็ไปดูก็ไม่เห็นที่นอนก็บอกว่าไม่ได้นะพราะคุณเจา้า ต, ต้องนอนหยอดนะยามันไม่เข้าไปแต่ท่านก็เฉยหมอก็บอกว่าถ้าท่านไม่นอนหยอดก็เลิกกัน แล้วท่านอย่าบอกว่าผมเป็นคนรักษาทันผมก็ไม่ได้ถือว่าผมรักษาทันก็ตัดขาดตอนนี้มันถึงทางเลือกอเราเรียกปรึกษากับตัวเองปรึกษากับการจักกายก็อาที่จะเอาอย่างไงล่ะเจวสัจะวาจาสัจปฏิญาณที่เราให้ไว้หรือหรือว่าจะเอาดวงตาตอนนี้ปัญญาต้องเข้ามาเสริมแล้วนะฮะแต่ปัญญาไม่เข้ามาเสริมมันก็ตัดสินใจายาก ปัญญาก็เกิดขึ้นมาพินิจพิจารณาเพราะการที่เราเกิดมาแล้วก็ตาบอดไปเนี่ยในสังสารวัฏยาวนานเนี่ยมันเยอะเลยวันจะบอดอีกสักชาติหนึ่งจะเป็นไรไปแต่ว่าโอกาสมาเกิดมาเป็นมนษุษย์มาฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจา้าพระอจ้าบังเกิดขึ้นแลวเราก็มีโอกาสเข้ามาบวชด้วยเป็นเรื่องใหญ่มาก เป็นลาบมันประเสริฐเพราะงั้นยอมให้ตาบันแตกแต่ว่าจะไม่ยอมละสัจจะปฏิญาณในสุดก็บำเพ็ญเปลี่ยนเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยไม่ยอมนอนก็จบลงด้วยท่านบรรลุมรรคผลแล้วก็ตากระบอดบรรลุอรหัตแล้วก็ตากระบอดซึ่งก็ไม่มีปัญหาใดนะเพราะมีตาในแล้วแต่ตัวนี้มันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่ความคิด บนเส้นทางของคนระดับพระโพธิสัตว์เนี่ยเราจรึงพบว่าในบางครั้งบางเวลาเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ต้องรักษาตัวสัจจะ ต, ตรงนั้นไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็าตามแต่ท่านจะไม่ทิ้งสัจจะไม่ว่าเรื่องเล็กหรือว่า เ, เรื่องใหญ่เนะีสัจจวาจากับสัจจะปฏิญาณเนี่ยที่จริงไม่ต้องพูดหรือทาไปมันสบายแล้ว หรือทำยติดนิสัยแต่ถ้าเราจะฝึกเนี่ยคือหมายความว่านอกจากจะมีการฝึก ด, ด้วยการข่มใจห้ามใจคือเบรกเบ็ดใจตัวเองได้แล้วเนี่ยมันยังต้องลดกั้นอดทนต่ออารมณ์ที่ยั่วยวนหรือยั่วยวุมาจากข้างนอกคนที่ไปไม่ค่อยรอดมันจะตรงเนี้ยคือใจมันจะไม่แข็งพ อ, อเช่นเราให้สัตว์ปฏิญาณหรือสัต จะวาจาอะไรก็ตามไว้เนี่ยว่าจะปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นจะทําอย่างนั้นอย่างนั้นแต่พอถึงมันมีเรื่องจะดึงเข้าไปแล้วเราเองรู้สึกจะสูญเสียนะฮะถ้าถ้ า, ถ, าถ้าไม่ทําไปอย่างนั้นเจว่ารักษาศีลเอาไว้แล้วก็ไปเจอทรัพย์สินเงินทองเขาจิ้งเอาไว้มันลืมอมาไว้นะะหรือว่าใครมาซ่อนเอาไว้ก็ไม่รู้ จงหวดมากหมายความว่าถ้าเราได้ครอบครองแล้วเนี่ยเราจะอยู่ดีมีสุขตลอดไปเลยมันถึงทางเลือกก็จะเอาศีลด้วยจะเอาทองถ้าไม่หนักแน่นตนัวนี้ตรงนี้จะเผลแต่ถ้าคนหนักแน่นจริงๆเนี่ยจะมองทองเหล่านั้นเหมือนกระเศษกระดาษและที่จริงมันเป็นอสรพิษด้วยนะคือมันจะแหวงกัดเราตาย เพเป็นสกีพยานเป็นประจักษ์พยานที่จะดึงปัญหา ม, า ห, ามาหาเล่ามาสู่เราเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สืบทราบในสุดเราก็ถูกจับไปตอนนั้นสัจวาจามาถึงจุดหนึ่งจึงต้องอดกลั้นอดทนอย่าเสียชีพอย่าเสียสัต์เสียสมบัติอย่าเสียวาจาแต่ก่อ น, นเรามีคําโครงในลักษณะนี้อยู่เยอะ เสียศีลสังมวลนศัก์ไว้วงหงเสียศัก์สู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตว์ไวนาเสียสัตว์แต่เสียสู้ชีพม้ยมรณาแม้จะตายก็ตายนะมันก็ไม่ค่อยแปลกอะไรเท่าไหร่จะมีประเด็นที่น่ามองอีกประการหนึ่งเป็นลันกษณะสัจจะปฏิญาณนะในบทธรรมวัดเช้าเย็นซึ่งเบ็นี้เราก็ธรรมวัดเช้าเย็นกันแพ่หลายนะทั้งพระทั้งคารวะ ต้องฟังลองสังเกตนะะว่ามันมันมีคําพูดที่ค่อนข้งางฉกาจฉการอยู่สามตอนนะฮะอยู่ในพุทธคุณธรรคุณสังคุนนั่นแหละข้อที่ว่าบุทษฏสานสมิดาโซวะเป็นต้นเนี่ยแปล ว, ว่าพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระพุทธเจ้ารับใช้ประธรรมรับใช้ประสง์พระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์นั่นเป็นนายของข้าพเจ้า นั้นไอตอนต่อมาข้างล่างเนี่ยบอกว่าขา้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตพร้อมทั้งสิริระแดรพุทธเจ้าประรรบประสงก็ค่อนข้างฉกาจชากันซึ่งก็หมายความว่าเราก็ปฏิญาณอยู่ทุกวั น, นธรรมะเย็นแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะปฏิบัติไดเป็นไปตามนั้นเท่าไหร่บางครั้งบางคราวบางก็เคร่งครัดในเชิงที่เป็นรูปแบบ คิดจย ว, วัดอย่างนี้ทำวัดเช่าเย็นขาดไม่ได้แต่ขาดไล้ายๆจะปรารถนาทีเดียวแต่จริงๆไม่ใช่หรอกในศาสนาพุทธเดียเขาศึกษาปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวศฮะมันไม่ใช่เรื่องมาสวดอ้อนวอนขอร้องการปฏิบัตินันดีแต่ว่ามันจะต้องนำไปอีกช่วงหนึ่งการสวดมันก็นดีแต่ต้องนาไปอีกช่วงหนึ่งจริงๆก็สองช่วงนะฮะ ไปทำความเข้าใจกับข้อความตรงนั้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้ ง, จงแล้วมีความสำนึกรับผิดชอบเราเป็นคนพูดเองเราคนเปล่งวา จ, จาเองเราต้องไปายาประพฤติปฏิบัติตรงนี้ให้ได้นั้นก็เป็นแนวของสัจจะปฏิยานต่อพระปฏิมาเป็นการกล่าวในมัสสมาคมคือเพื่อนพระภิกษุสามนเณรด้วยกันแต่ชาวบ้านกูบาสกปศิกด้วยกัน แล้วกาสำคัญว่าพอวิกฤตทางอารมณ์วิกฤตทางสังคมขึ้นมา ใ, นใจเรามันจะแหวงใจจะวิกฤตแล้วก็ในที่สุดก็เกิดสภาพที่เราเรียกบัณฑิตทิ้งธรรมคือรักษ า, ษาธรรมะเหล่านั้นไว้ไม่ได้ดังนั้นนอกจากจะอดกลัน้นอดทนแล้วเนี่ยข่มใจได้แล้วจะต้องสลัดความรู้สึกที่เป็นอุปสรรคต่อใจตํานงต่อความมุ่งมั่นที่เราจะรักษาสัจจะ เราได้ขณะเดียวกันกับคนอื่นเราก็มีน้ําใจเออเฟื้องเฟื่อแพ่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้แบ่งกันอยู่เป็นการส่งครอนคระห์ต่อกันและการเหล่านี้เป็นหลักการโดยสรุปรวมว่าสัจบรวมว ร, ปปรมีนั้นมันเน้นไปที่ช่วงหนึ่งนะฮะช่วงหนึ่งเน้นไปที่สัจจะวาจาช่วงหนึ่งจะเน้นไปที่การเข้าถึงตัวสัจจะภาวะ ซึงก็จะเรื่องยิ่งยากขึ้นไปแต่ในที่นี้เราก็จะมาพูดประเด็นตรงนี้สักสองสามอีกสองสามครั้งนะ น, นะเพราะว่ามันมีอยู่หลายระดับแล้วก็เป็นการความซื่อสัตย์สื่อส่งซึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ท่านท่านท่านไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรเป็นไครมีฐานะเป็นทุกขะตะยากจนเข็นใจอะไรก็ตามแม้แต่เป็นสัตว์ดิบชานเป็นช้างจนถึงก็เป็นนกกระจาบเป็นอะไรเนี่ยในพวกฉดกจะเห็นถึงลักษณะเด่นตรงนี้ของท่านคือจะมีสัจจะมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นผู้ที่มีความจริงซึ่งคนอื่นสามารถพิสูจน์ทดสอบได้ตลอดเป็นลีลาชีวิตนะ เป็นแบบของชีวิตที่ท่านประสบความสาเร็จให้เราดูเป็นตัวอย่างรางการเป็นพุทธศาสนิยชนคือแต่เราพยายามที่จะเดินตามรอยบาทยุคนของพระพุทธเจ้าเอาสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ได้ก่อนนะนะคือมาชอบมองสมัยที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยมาเพราะว่าท่านก็เป็นคนนะ แต่ตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่มันเป็นาศาสดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบังก็ไกลมันก็ยากแต่ว่าถ้าเราพยายามตายอันดับขึ้นไปโดยสายปฏิปท า, าการดำเนินชีวิตแบบประพฤติสั์ในพระชาตินั้นจึงเราจะเห็นว่าความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความสุรมสจริตใจเป็นพื้นฐานของพระองค์ไม่ว่าจะบังเกิดในภพชาติยังไงก็ตาม จะไม่ทิ้งธรรมท่านฟังทงั้งหลายตรรวงพระพุทยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง่องามไผบู์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตรวกันสวัสดี